มีใครอยากจะถามอนะไรัหมไหนๆคุยกันแล้วก็คุยกันแหละคุณสมชายมีอะไรนะไหมเป็นไงตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะใช่ไหมสบายดีครับอืแล้วเป็นไงก็ปฏิบัติไปครับก็บ้างอาจารย์ก็สมมติเอาไปเข้าคอาอื ม, อม อยู่ที่บ้านมันก็โลภโ ล, โลอาจารย์จะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เืยแต่ก็ไม่ทำงานก็ไม่เดือดร้อนแล้วนะอยู่ได้ไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ถ้าเรารู้จักจัดการกับรายได้รายจ่ายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทามากมายรายจ่ายมันก็ลดลงยอะอาจารย์ตัดกิเลสได้รายจ่ายก็ลดทั่วเลยร <c oughs> ายจ่ายส่วนใหญ่มาจากกิเลส เบญญาใบใหญ่ๆนี่มันอยากกิเลสเท่านั้นนะเที่ต้องจ่ายให้กับร่างกายมีไม่มากค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟอาหารก็ทานน้อยลงด้วยคำอาจารย์เราไม่ต้องใช้พลังงานในการทำงานแล้วร่างกายก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ต้องทำงานหนักร่างกายไม่ต้องกินมากก็ทำงานน้อยลงสุขภาพก็จะดีขึ้น ต้องพยายามปฏิบัติพยายามนั่งสมาธิทำใจให้สงบสลับกับการพิจารณาทางปัญญาาทุกอย่างไม่เที่ยงเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าจากการเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายการพัดผ้าจากกันไม่ได้ให้คิดไว้บ่อย เพราะที่เราเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเวลาที่เราพัดภาคจากกานันนี่ถ้าเราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์ก็ให้นึกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถ้ามันจะไปก็ให้มันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดมันอย่าไปอยากให้มันไม่ไปถ้าไปอยากแล้วมันจะเครียดถ้าไม่อยากแล้วมันจะสบายใครจะไปก็ไป ทำไงได้เมื่อเขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดามีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียจะเอาแต่ได้อย่างเดียวจะเอาแต่ขึ้นอย่างเดียวพอมันไม่ได้ก็ทุกข์พอเสียก็ทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีขึ้นมีลงมีมามีไปมีได้มีเสีย เวลาได้ก็ต้องคอยเตือนว่าเดี๋ยวมันต้องเสียนะเวลามาก็คอยเตือนว่าเดี๋ยวต้องไปนะเวลาขึ้นก็ต้องคอยเตือนว่าเดี๋ยวมันต้องลงก็เมื่อก่อนมันเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราภาวนาเป็นเราไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรพเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีร่างกายสบายมีแล้วทุก เพราะของพวกนี้มันไม่เที่ยงเวลามีดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจเสียลาบยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นรสก็เสียใจเสียร่างกายก็เสียใจมีมันทำไมสู้อย่ามีไม่ดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไม่เกิดอย่าไปมีลาบยศสรรเสริญ อย่าไปมีรูปเสียงกลิ่นรสให้อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่มีหน้าที่อะไรต้องทำอะไรต้องคิดอะไรเราถูกความหลงทรมอยากมันหลอกให้เรามีหน้าที่ว่าเราต้องไปหาเงินมาทำ น, นทำนู่นทำนี่มีหน้าที่อย่างเดียวก็เลี้ยงร่างกายนี้ให้มันอยู่ไปวันๆห น, นึ่งเท่านั้นแหละที่เป็นหน้าที่ของเราถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไม่ได้ก็ ก็ต้องปล่อยมันไปตามตามบุญตามกรรมแต่เราจะมาทุกข์กับมันทําไมไม่มีไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาทุกข์กับมันเลยแต่เรากลับต้องมาทุกข์กับมันเพราะเราไม่รู้จักอยู่เฉยๆกันเพราะเราไม่รู้จักมีความสุขจากการอยู่เฉยๆว่าเป็นอย่างไรถ้าอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรได้ใจมีความสงบแล้วมีความสุข มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะอะไรในโลกนี้ก็ให้ความสุขเท่ากับความสงบไม่ได้อยู่ดีนี่คือเราต้องมาหัดภาวนากันมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันเพื่อให้ได้ความสุขอันนี้กันพอเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีความสุขที่ดีกว่าจากการมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรส แล้วเราก็จะมีทางเลือกใหม่เราจะเลือกเอาทางทางความสงบของใจดีกว่าเพราะไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเรายังอาศัยคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เวลาเขาจากเราไปก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราอาศัย ความสงบได้เนี่ยมันจะไม่จากเราไปแต่เรารู้จักวิธี ท, ทำใจให้สงบได้ต่อไปเราก็จะทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราเพองแต่ทำใจให้สงบเพียงแต่ทำใจไม่ให้อยากเท่านั้นเองความอยากนี่แหละที่ทำให้เราดิ้นกันที่ทำให้เราหงุดหงิดกันนําคาญกันว้าเวกันหิวกันโหยกันเพราะความอยากนี่เอง ถ้าทำใจให้สงบแล้วความอยากมันก็จะหยุดไปแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถอยู่ได้อย่างสบายมาฝึกทำใจให้สงบกันวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติคอยดึงใจ ใจเราเป็นเหมือนลิงใจมันชอบเหมือนลิงชอบไปเที่ยวใจเราชอบไปเที่ยวหารูปเสียงกลิ่นรสหาราบยศสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเราต้องใช้เชือกจับพวกจับลิงไว้แล้วพุ่งหนึ่งมันไว้เชือกที่จะดึงใจเราเรียกว่าสติถ้าเรามีสติเราจะดึงใจให้ใหอยู่ ข้างในได้ให้เข้าข้างในได้เข้ากลงกลงก็คือสมาธิถ้าเราไม่มีสติไม่มีเชือกเราก็ดึงมันไม่ได้จะดึงจะจับดิ้นเข้ากลงนี้ต้องเอาเชือกคล้องคอมันก่อนพอคล้องคอแล้วก็ลากมันเข้าไปในกลงแต่ถ้าเชือกมันไม่แข็งแรงก็ขาดได้ถ้าเป็นเชือกกล้วยเดี๋ยวมันก็ตกทีเดียวก็ขาดใหม่ๆสติของพวกเราก็เป็นเหมือนเชือกกล้วย หนึ่งจิตได้แป๊บเดียวพุโทโธพุโทโธได้สองคำไปอีกแล้วไปคิดถึงขนมอีกแล้วคิดถึงเครื่องดื่มอีกแล้วคิดถึงหนังอีกแล้วคิดถึงละคร อ, อีกแล้วคิดถึงเรื่องนน้เรื่องนี้อีกแล้วใหม่ๆ ม, มันจะเป็นอย่างนี้สติมันยังจะไม่มีกำลังมากก็พยายามสร้างมันขึ้นมาพยายามพุโทโธอยู่บ่อยๆนึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่บ่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยฝึกเลยเนี่ย เรามีโอกาสฝึกได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปับ๊บลืมตานี่เรายังไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเราก็พุโทโธเลยอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำแต่งตัวก็พุโทโธไปกินข้าวกับพุโทโธไปจะหยุดพุดโทโธก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดกับการทํางานเวลาทํางานต้องใช้ความคิดก็นั้นก็หยุดพุดโทโธไป พอเวลาว่างจากการทำงานจะคิดอีกก็ใช้พุโทโธหยุดหนึ่งแล้วเวลาเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาพุโทโธพุธโทโธไปถ้าพุโทโธมีกำลังมากกว่าลิงดิงมันก็จะต้องถูกดึงเข้าไปในกรงจนได้พอพุโทโธมีกำลังมากหนึ่งจิตเข้าไปข้างในด้านมันก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าไปในกงเลยหนึ่งก็เป็นไปตกหลุม เนียพุทโธพุทโธเนี่ยจะดึงจิตให้ไปที่หลุมบากหลุมของสมาธิสมาธินี่เป็นหลุมใหญ่ๆเป็นเหวเหมือนเป็นบ่อเป็นเหวพอดึงมันปั๊บเข้าไปตรงหลุมแล้วมันก็วุบลงไปเลยพอวุบลงไปนี่ก็สบายเย็นเบาสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการทําให้ได้คือทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิให้ได้ ก็สมาธิจะให้ความสุขกับเราจนเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งต่างๆจะจะหาก็หาเพื่อร่างกายอย่างเดียวนั่นนี่เป็นพระก็ไปบิณฑบาตเป็นโยมก็หาเงินสักก้อนนึงไว้สำหรับจ่ายค่าอาหารพอมีเงินจ่ายค่าอาหารพอแล้วก็หยุดไม่ต้องไปทํางานอยู่บ้านนั่งสมาธิทําใจให้สงบนีกว มีความสุขแล้วพอแล้วความสุขอยู่ที่ความสงบนี่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกิน่นรถไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขบอมความสุขเดียวๆได้มาก็ดีใจเดียวๆเดียเด๋ยวก็อยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกละพออยากได้ขึ้นมาความสุขที่ได้ของเก่ามาก็หายไปหมดนี่แหละคือเรื่องของ ชีวิตของพวกเราตัวเราความสุขของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ความสงบใช้สติเดินใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้มันพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือเหมันใช้สติหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆก็ได้ถ้าไม่ใช้พุทโธถ้ามีกำลังหยุดความคิดได้เราเลกรู้เฉยๆได้ไม่ต้องคิดอะไรได้ก็ให้มัน แล้วเลิกรู้เฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้ไปทำงานทำอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้มันคิดถ้าไม่คิดแล้วจะไม่เกิดความอยากจะไม่เกิดความหงุดหงิดลำคาใจจะไม่เกิดอารมณ์อะไรต่างๆจะไม่เกิดความโกรธแต่ถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆมันโผล่ขึ้นมาถ้ามันมีอารมณ์ก็ต้องใช้พุโทโธแสดงว่าสติเราไม่พอ กำลังเราไม่พอที่จะหยุดอารมณ์หยุดความอยากต่างๆเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกล่ามันจะสงบพอสงบก็พุโทโธก็หยุดไปตอนนั้นก็เบาใจสบายใจไปพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอกำลังสติหมดใจมันก็จะเริ่มคิดใหม่เราก็ต้องพุโทโธใหม่คอหยุดมันเหมือนกับหมอที่ผ่าตัดคนไข้เนี่ย ต้องคอยให้ยาสลบ่อยู่เรื่อยๆพอคนไข้เริ่มจะรู้สึกตัวก็ต้องเติมยานะถ้าไม่เติมยาเดี๋ยวคนไข้จะดิ้นเวลาผ่าตัดถ้ารู้สึกตัวใจเราก็เหมือนกันถ้ามันไม่สงบแล้วมันจะดิ้นกิเลสมันจะออกมามันจะโลภจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันเริ่มดิ้นเราก็ต้องหยุดมนะันแล้วต้องพุโทโธต่อแนละ้วทุกครั้งที่มันดิ้นที่ได้อะไรก็พุโทโธพุโทโธไป ทำใจให้สงบไปแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความอยากได้เราจะสามารถทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความสุขทุกอย่างตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสจะมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อน ถ้าเรามีวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้แล้วเราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ตายไปก็ไปอยู่ที่นิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระสาวกทั้งหลายเป็นเป็นสมาชิกของสมาของเขาเรียกอะไรสมาคม สมาคมของผู้ปฏิบัติธรรมสมาคมนิพพานผู้ที่มีความสงบตัดความอยากได้ก็จะไปเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ไม่ต้องมามีร่างกายให้เหนื่อยยา ก, กต่อไปาความสุขจากความสงบเพียง อ, อย่างเดียวหาความสุขจากความว่างเพียง อ, อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราเกิดมา แล้วเราต้องทําให้ได้เพราะน า, นานจะมีคนมาสอนมาบอกเราวิธีนี้กันถาวามาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่มีพระศาสนาพุทธหรืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้<ม>ถ้าไม่มีก็ไม่มีใครรู้ก็จะไปหลงกับราบยศฉลเสริญหลงกับร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่สูญเสียราบยศฉลเสริญสูญเสียร่างกายไปอันนี้คือเรื่องของอ ของชีวิตเราความสุขของเราอยู่ที่ใจของเราเราไม่ต้องหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายเราสามารถหาความสุขจากใจของเราได้ที่เป็นสิ่งที่ถาวรความสุขที่เราสร้างขึ้นมาในใจนี้มันจะเป็นความสุขที่ถาวรมันจะไม่มีวันหมดไปจากใจของเราความสุขที่เราสร้างจากร่างกายจากรายะยศสารเสริญ เดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็หมด เ, เหมือนกับเราไปก่อเจดีย์ทรายที่ชายทะเลไว้ตอนน้ําลงเนี่ยจะสร้างเจดีย์จะสร้างเมืองให้มันพิสดารขนาดไหนก็สร้างไปเถอดเดี๋ยวพอน้ําขึ้นมามันก็ซัดไปหมดต่อให้เราสร้างอาณาจักรอันใหญ่โตเป็นมหาจากกักรพรรดิก็ต่างพอเวลาตายไปเป็นไงสําหรับเรามันก็เหมือนมันก็หมดไปสิ่งที่เราสร้างก็กลายเป็นของคนอื่นไป อย่าไปหลงกับความสุขชั่วคราวเลยมาหาความสุขที่ถาวรดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจของเราจะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นความสงบที่เหนือกว่าความสงบได้จากการนั่งสมาธิเองเป็นความสงบจากความว่าง ใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้นี่เกิดเรื่องสิ่งเรื่องสิ่งที่เราควรจะทำอย่าไปเสียเวลากับการหาราบยศสารเสญหารูปเสียงกลิ่นรสหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวพอแก่ลงก็หาไม่ได้พอหาไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายยุคเนี้จะมีเรื่องฆ่าตัวตายมากขึ้นไปเรื่อย พระยุคนี้เป็นยุคของคนที่หลงหาความสุขกับราบยศสรรเสริญหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขกับร่างกายพอร่างกายเป็นโรคร้ายขึ้นมารักษาไม่หายก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะฆ่าตัวตายกันต่อไปเขาก็จะออกกฎหมายอนุญาตให้หมอฉีดยาตายได้ใครอยากจะตายก็ไปหาหมอหมอช่วยเมื่อก่อนหมอช่วยให้อยู่เดี๋ยวนี้หมอช่วยให้ตาย อ่าจริงๆริง่ะเราไปดูเลกฎหมายทางต่างประเทศนี้เขาจะเริ่มหาวิธีออกกฎหมายกันเพื่อให้หมอฆ่าคนได้นะเพราะสงสารไงเขาเรียกว่าฆ่าด้วยความสงสารภาษาฝรั่งเขาเรียก mercy killing เมื่อมันอยู่แล้วมันทรมานอยู่ไป น, นยังไก็ฆ่ามันเลยพวกหมาเหมือนี่เขาฆ่าได้โดยไม่ต้องออกกฎหมายเนี่ยฝรั่งเลี่ยงหมารักมันขนาดไหนพอไม่สบายก็ยิงมันเลย ไม่อยากจะให้มันทรมานเอาจริงมันมันไม่ทรมานเน่ยเราดังหากที่ทรมานที่เห็นมันทรมานไม่อยากจะทรมานเลยกับมันเราจะไปรู้เลยมันทรมานไหมอาจจะนั่งสมันอาจจะเข้าไปในสมาธิก็ได้ใช่ไหมแต่ฆ่าไม่ฆ่ามันก็ตายอยู่ดีไม่จําเป็นต้องไปฆ่าแต่มันไม่ใช่วิธีดับความทุกข์ใจวิธีดับความทุกข์ใจต้องไปดับที่ความอยากดังหาก ถ้าไม่ดับที่ความอยากเดี๋ยวตายไปความอยากมันก็ไม่ตายฆ่าร่างกายความอยากมันก็ไม่ตายความอยากมันก็อยู่ที่ใจต่อไปไปเกิดชาติใหม่มันก็มักลับมาฆ่าตัวตายใหม่เพราะความอยากตอยากฆ่าตัวตายมันไม่ตายเราต้องฆ่าตัวอยากฆ่าตัวตายนี่ด้วยการทําใจให้สงบด้วยการยอมรับความจริงว่าร่างกายเดี๋ยวมันก็ตายไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกถ้าฆ่ามันแล้วมันเป็นมันเป็นกิเลสขึ้นมา มันเป็นความอยากขึ้นมาแล้วมันจะติดไปกับใจต่อไปแต่ถ้าเราไม่ฆ่ามันปล่อยให้มันตายไปตามเรื่องของมันไม่มีความอยากให้มันตายเราก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปอยาป่าไปฆ่าร่างกายฆ่าความอยากฆ่าร่างกายแล้วใจจะสบายใจจะมีความสุขร่างกายจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ใจก็มีความสุขได้ ก็ขอให้นำอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปก็การแสดงพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริปเรนติสากหลังเอวเมวะอิตชินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจัตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธานิจโตรติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโขวนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะ อาพิวาธนัสสิลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมะวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ในเฟซบุ๊กคะเฟซบุ๊สามร้อยสิบแปดยูทูบกสิบแปค่ะ <have> กลับมาปกตินะถ้าช่วงวันหยุดก็เหลือแค่สองร้อยกว่าถ้าวันทำงานก็สามร้อยกว่าวฟังอยู่ทุกวันน ะ, นะเสียงชัดไหมไม่กระตุกไม่ขาดไม่อะไรอยู่ที่สัญญาณแล้วอยู่ที่กำลังของผู้รับด้วยนะอินเทอร์นเน็ตของเราถ้าเราเป็น w i f ฟมันก็ ถ้าเป็น 3G มันก็อาจจะกระตุกเพราะว่า 3G มันอาจจะไม่แรงเท่ากับ Wi-Fi Wi-Fi มันเดี๋ยวนี้มัน10เมกซขึ้นไป10เมกก็สะดวกอ่าเคยส่งข้อความเข้ามาถามมญหาไหมเคยเหมือนกันนะถามเรื่องอะไรเวลาปฏิบัติ ใช่เพราะว่ามันบรรยากาศไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกั น, นยิ่งถ้าไปอยู่คนเดียวได้ยิ่งจะลงลึกใหญ่เพราะว่ามัน <c oughs> ไม่มีอะไรคอยดึงไว้ถ้าอยู่บ้านมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คอยดึงอยู่ แต่มันยังอะกาศมันก็ยังมันยังเป็นหออยู่มันไม่เป็นป่าซสอนอยู่ที่ไหนเลยตอนที่โยมอยู่ว่างออ๋ว่างเลยก็ขึ้นออกแบบนั้นแต่ว่าลูกปีนก็จบแล้วคนมี อันนี้ไม่เอาอะไรนะเอาทางทำน ะ, ะต้องอต้องเอาแบบเต็มรูปแบบเอาสักสามเดือนดูนะปฏิบัติทั้งสามเดือนดูมันจะได้มันจะได้ได้เห็นผลบ้างถ้ปฏิบัติแบบ มือมอาชีพไอ้มือมือสมัครเล่นมันจะไม่ค่อยได้ผลมากมันนั้นตั้งแต่ยีิบสี่ชั่วโมงเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเนะี่ยฟาดกันสู้กับกิเล ก, กันตลอดเวลาถ้าเราชนะมันแล้วโอ้โหเบาอกเบาใจโล่งอกโ ล, ล่งใจตอนนี้มันยังถูกมันคอยทีบคอยกดคอยเตะเราอยู่เลยคอยใช้เราอยู่เลย หมอก็บาปสิก็หมอก็ฆ่าเขาแหละทำลายชีวิตมันก็บาปแสดงว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมแลอย่างนี้หมอมีสิทธิ์ว่าจะไม่ทำาัไหมคะก็แล้วแต่กฎหมายเขาจะออกบังคับหรือไม่ถ้ามีให้หมอเลือกทางได้หมอก็ไม่ผิด ถ้าเขาบังคับว่าต้องต้องทําถ้าคนไข้ขอแล้วไม่ทําผิดกฎหมายถูกจับคุกเนี่ยหมอก็ต้องเลือกแล้วชะจะติดคุกหรือว่าจะอจะทํำบาปก็แล้วแต่กฎหมายต่อไปก็จะออกยังไงแต่ไม่น่านะน่าจะเป็นเรื่องของหมอเลือกได้ที่เขาจะออกกฎหมายเพื่อไม่ให้หมอติดคุกมากกว่าม ต, ติดคุกในเรื่องฆ่าคนตา ย, ยไงใช่ไหม ตอนนี้ถ้าทําให้คนไข้าตายก็ติดคุกแล้ว mm hmm. เพราะถือว่าเป็นการฆ่างั้นต่อไปมันจะยุ่งนะต่อไปคนไข้ที่ไม่อยากจะตายก็อาจจะถูกหมอฆ่าตายก็ได้เพราะอาจจะมีประกันมีมีผลประโยชน์บางอย่างบางคนอยากอยากจะได้ตายของคนไข้อยากจะได้ตับของคนไข้มันก็เลยอ้างว่าคนไข้ยอยากขออยากจะตายต่อไปเดี๋ยวจะยุ่งไม่ใช่เลย ตอนนี้ก็ยุ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มีข่าวพวกนักโทษนี้บางทีเขาก็เวลาจะประหารเขาก็เอาตับเอาไตาอะไรไปก่อนแล้วค่อยเอาไปขายต่อบางทีเขาไม่กวรจะตายก็ให้เขาตายเพราะเขาต้องการเอาตับเอาไตาเอาหัวใจเอาปอดเข้าไปเพราะมีคนสั่งมา มีมีเงินส่งมามีรายการซื้อมาดับไมโลกจะวุ่นวายสถ า, าการตายที่ถือเป็นวาร้ายไหมครับถ้าตายโดยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติทุกอย่างมันต้องตายทุกอย่างต้นล้มต้นไม้มันถึงเวลามันก็ตายแต่วาระการตายสาเหตุการตายมันก็มีหลายแบบการดานตาย ถ้าไม่มีน้ําฝนไม่ตกสักสองสามปีเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายหมดกลายเป็นทะเลทรายไปหรือ ว, ว่ามีน้ําท่วมเีต้นไม้ก็ตายได้คนก็เหมือนกันตายได้หลายสาเหตุพายุแผ่นดินถลม่มน้ําท่วมไฟไหมแล้วแต่สาเหตุถ้ามันตายโดย โดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปเป็นเหตุมันก็มันก็ไม่เป็นเรื่องของกรรมแต่ถ้าเราไปเป็นเหตุก็เวลาเราจะไปทำอะไรมันเรามีเจตนาใช่ไหมเรามีสาเหตุมีใจเราต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะไปทำให้มันติดเป็นนิสัยต่อไปจะทำไปเรื่อยๆ ทำดีมันก็จะทำดีไปเรื่อยๆทำบาปมันก็จะทำบาปไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าบาปโดยคิดว่าเป็นการทำดีเห็นเขาเจ็บอยู่ไปก็ทรมานก็เลยข้าช่วยเขาให้ดับความทรมานนี้ก็จะไม่มีความเมตตาไม่มีอุเบกขา ไม่รู้จักการทำใจให้ยอมรับกับความเป็นจริงของสภาวธรรมต่างๆว่าเขาเกิดเขาดับของเขาเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก mm hmm. เวลาเขาดับเขาก็ดับไป mm hmm. เราไปรู้หรือว่าเขาอยากจะตายหรือเปล่า mm hmm. บางทีเขายังไม่อยากตายก็ได้ mm hmm. อย่างหมามั น, mm hmm. นมัน ม, มันยังไม่ตายแต่เราเห็นมันทรมาน ก, ก็เลยฆ่ามันใช่ mm hmm. บางทีมันไม่อยากตายก็ได้ ถึงแม้มันอยากตายมันก็ไม่ควรมันก็เป็นมันก็เป็นกิเลสเอยความอยากตายความอยากตายมันก็เป็นอภาวะตัณหาความไม่อยากตายก็เป็นวิภาวะตัณหามันก็จะทําให้ต้องกลับมามีตัณหาแบบนี้ต่อไปมันก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์ไปเรื่อยๆต้องไม่มีตัณหาต้องไม่มีความอยากตายไม่มีความอยากอยู่ เฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้อย่างนี้ใจก็ังไม่ทุกข์มีคำถามเข้ามาไหมมีจีนบล็อกนะครับมีคำถามจีนบ n ็อกนะฮะจากคุณอูครับในเพศคารวาที่ต้องใช้ชีวิตการทำงานซึ่งความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องทำให้เกิดความขัดแยง้ง แล้วเกิดความทุกข์ต้องพิจารณาอย่างไรในการไม่ทุกข์ในการทํางานและได้งานที่ดีด้วยเจ้าคะเกิดจากกิเลสความยึดมั่นในตัวตนหรือเปล่าเจ้าคะแล้วต้องใช้ปัญญาอย่างไรในการลับเจ้าค่ะก็ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็สมนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วมีความเห็นบางอย่างที่ตรงกัน แล้วก็เอาความเห็นที่ตรงกันมาประสานกันก็แล้วกันส่วนที่ไม่ตรงกันก็สมวนไว้เก็บไว้เช่นเขาอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากจะกินข้าวผัดเนี่ยถ้าเอามาประสานกันไม่ได้ก็คุณไปกินข้าวผัดแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวคนละที่ก็แล้วกันอย่ามากินที่เดียวกันถ้าทุกคนตกกองว่าวันนี้จะเอาพิซซ่าเอมีความเห็นเหมือนกันอาก็กินร่วมกันได้ก็สั่งพิซซ่ามากินกัน นี่มันก็อยู่ร่วมกันได้แล้วนีการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีการอารม่์มารวยกันต้องก็เรียกอมชอมเอาใจเขาเอาใจเราแบ่งกันคนละครึ่งมันก็อยู่ร่วมกันได้ถ้าต่างฝ่ายต่างยาเอาใจของตัวเองมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็มีแค่นี้แหละนการจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องรู้จักระงับการขัดแย้ง รู้จักวิธีประสานความสามาัคคีให้เกิดขึ้นความสามัคคีนี้จะทำให้อยู่กันอย่างมีความสุขมีความปึกแผ่นความแตกแยกนี้จะทำให้อยู่กันอย่างวุ่นวายไม่มีความสุขก็ได้แค่นี้ละก็คำถามจากคุณปอเวลาผมภาวนาชั่วโมงกว่า รู้สึกว่าจิตไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับจิตบุงแต่งและนิวรขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยครับก็ต้องไปออกกำลังใจต้องไปสร้างกำลังใจขึ้นมาโดยการหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหมั่นควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดบุงแต่งถ้าไม่ใช้คําบริกรรมพุทโธจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้หรือจะใช้การคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกรรท ต่างๆของร่างกายก็ได้จดจ่ออยู่กับงานที่เราทาอยากคิดเรื่องอื่นคอยควบคุมความคิดระงับความคิดเนี่ยเราสู้กับความคิดไม่ได้มันก็เลยทาให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเรามีกำลังมากเราสู้ได้เราหยุดความคิดได้เราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยคำถามจากคุณมาริ คนหลายคนทํางานหาเงินให้ได้มากๆเพราะหวังว่าจะได้อยู่โรงพยาบาลเอกชนสบายตอนเจ็บป่วยตอนแก่จะได้ไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลหลวงควรคิดอย่างไรถึงจะถูกคะก็คิดว่ายารักษาแบบสามแสนรื่รักษาแบบสามสิบมันก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายมันก็ตายเหมือนกันไอ้เรื่องความสะดวกอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ ย, อย่าไปสนใจมันเลย ถามจากคุณนายจิต ท, ที่อยู่กับอาณาปณสติสเสวยปิติเสมอปัจจุบันพยายามให้รู้ทันสติเกิดดับและดับกิเลสตัณหาได้เร็วขึ้นแบบนี้พ้นอบายภูมิได้หรือยังคะอ๋อยังหล่ะอยู่ที่ว่าทำบาปนึกไม่ทำบาปถ้ายังทำบาปอยู่ก็ยังไม่พ้นถ้ายังฆ่าสัตว์ยังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดปะเวณียังพูดปกยังดื่มสุรายาเมาอยู่ก็ไม่พ้นอบาย คำถามจากคุณ Sen พลคำสอนพุทธองค์ทวนหรือตามกระแสทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์หรือไม่ครับและมีความเหมือนหรือแตกต่างกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่อย่างไรครับไหนถามอ <int> ีก <kl ader> ทีหนึเมื่อกี้คำสอนของพระพุทธองค์ทวนหรือตามกระแสทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์หรือไม่ครับ และมีความเหมือนหรือแตกต่างกับคําสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ครับอ่ะคําสอนของพุทธองค์จะไปเหมือนกับไปแตกต่างกับคาสอนของพุทธองค์ได้ไงใช่ไหมมันถามไงวะถามมาใหม่ไว้ถ้าครื่องแรงกอาจจะพอจะตอบได้ว่าคําคําสอนของพระเจ้าทวนกระแสกับค ว, กความต้องการพื้นฐานหรือเปล่าความต้องการพื้นฐานนี่ไม่ทวนอ่ ให้มีได้ให้มีปัจจัยสี่ได้นี่คือความความต้องการพื้นฐานนี่เดี๋ยวนั่งเฉยๆก่อนไม่ได้หรือคนเขากำลังทำอะไรกันอยู่เมื่อกี้ให้ทำก็ไม่ทำพอเขาคุยกันแล้วก็จะมาทำเข้าใจไหมก็ความต้องการพื้นฐานพุทเจ้าไม่ห้ามเยอาหารที่อยู่อาศาอัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ย ต้องมีด้วยกันทุกคนถึงจะอยู่ได้ความต้องการพรื้นฐานเออเอาเดีเ๋่ามีอะไรเนะ่ยยมมีอะไรเนะสบายดีนะยมมเลาลักไม่ได้เจอกันนานก็ให้ภาวนาไปเรื่อยๆนะภาวนาเป็นที่พึ่งของใจ ปล่อยวางร่างกายร่างกายไม่ใช่ของเราดูแลมันไปตามมัตภาพถ้ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปรักษาใจไว้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายพยายามทําใจให้สงบมีสติควบคุมใจมีปัญญาปล่อยวางแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย มีคำถามจะอินบ็อกซ์ครับแต่คุณอ้ำนวยครับพระอาจารย์ครับถ้านิ่งแล้วเราจะพิจารณาอะไรต่อครับ อ, อ่าไม่ให้พิจารณาการนั่งสมาธินี้ต้องการให้ไม่นนิ่งนานๆเพราะเราต้องการเอากําลังของความนิ่งนี้ไปสู้กับกิดเลสต่อไปถ้าเรามีกําลังนิ่งมากเวลาใครดา่เราเราแล้วก็นิ่งได้เวลาใครเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราก็จะนิ่งได้เราจะไม่เดือดร้อน เวลาถ้านิ่งแล้วพยายามให้มันนิ่ง น, นานๆนิ่งบ่อยๆนิ่งได้ทั้งวันยิ่งดีต่อไปเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันมากระทบกระเทือนใจเราใจเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราจะนิ่งจะเฉยได้ถ้าไม่เฉยก็ใช้ปัญญาช่วยทีนึงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทาอะไร เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราสบายถ้าเราใจเรานิ่งแล้วเราไม่เดือดร้อนเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนเสาเนี่ยใครไปด่าเสาเสามันก็ไม่ตอบโต้อะไรเสามันก็นิ่งเฉยไปไปด่าเสานานๆเข้าเดี๋ยวก็เมื่อยเเมื่อยปากเันก็หยุดเองถ้าเราไม่ตอบโต id, เ้เขาปล่อยเขาด่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองนี่คือประโยชน์ของความนิ่ง ที่เรามานั่งสมาธิกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตอบโต้กับเหตุการณ์ต่างๆใครจะชมก็นิ่งไม่ดีใจใครจะด่าก็นิ่งไม่เสียใจเพราะว่าถ้าใครชมดีใจก็จะติดพอวันไหนเขาไม่ชมก็จะเสียใจเฉั้นพยายามฝึกความนิ่งไปเรื่อยๆเวลาจิตนิ่งแล้วพยายามให้มันนิ่งนานๆนั่งไปให้ได้เป็นชั่วโมงเลยได้ยิ่งดีให้มันนิ่งไปชั่วโมงได้ ต่อไปจะกิเลสจะทำอะไรเราไม่ได้มันจะมาหลอกให้เราโลภหลอกให้เราโกรธหลอกให้เราหลงไม่ได้ถ้าเรามีความนิ่งความนิ่งนี้สบายความนิ่งนี้เป็นสุขความความนิ่งนี่แหละเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่คนที่มีความนิ่งแล้วจะมีอริยทรัพย์จะอยู่อย่างมีความสุขต่อไป ถามจากคุณนันทนาถ้าเราได้โสดาบันในชาตินี้ตายไปแล้วเกิดใหม่ความเป็นโสดาบันจะยังมีผลทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมต่อไปไหม่เจ้าคะโสดาบันอยู่ที่ใจเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายโสดาบันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายโสดาบันอยู่ที่ใจเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่สามารถลดลงมาเป็นปุถุชนได้ มีแต่จะขึ้นนั้นนั้นแต่ไม่มีลงจากโสดาบันถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะได้สกิรดาคามีพอได้สกิรดาคามีก็จะไม่ตกลงมาเป็นโสดาบันถ้าไปจากสกิราคามีไปอนาคามีก็จะไม่ตกลงมาเป็นสกิราคามีมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวการจะขึ้นก็ต้องปฏิบัติทำให้มากขึ้นตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากให้มันมากขึ้นไปให้มันลดน้อยลงไป มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นไม่มีกิเลสห ล, ลงเหลืออยู่ในใจก็เป็นขั้นพระอรหันต์คํ า, าคำถามจากคุณนายพลพระอาจารย์ครับถ้าปวดแล้วออกปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาเลยได้ไหมครับโดยที่ไม่ต้องอยู่กับพระอาจารย์จนถึงห้าปีพอได้ความรู้จากการฟังทำจาก YouTube และ Facebook พอสมควรแล้วอ๋อความรู้จากการฟังยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันยังไม่เข้าไปในสันดาน เดี๋ยวไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ไปทําตามสัญดานเดิมเราจะพัฒน์ตัวไม่เหมาะสมเพราะกิเลส ย, ยังไม่ได้รับการขัดเกลวต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องไปเห็นการอยู่การปฏิบัติการคิดการอ่านของครูบาอาจารย์เวลาเราทำไรนอกรู่นอกทางก็จะมีคนมาคอยเตือนมาคอยแก้ให้กับเราถ้าเราบวชแปบ๊บาไปอยู่คนเดียวมันก็เดี๋ยวก็กลายกิเลสก็จะเป็นอาจารย์ของเราไป เพร้นการที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่เข้าไปถึงสันดานยังไม่ขัดเกลีสันดานต้องขัดเกลีด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทําะนั้นต้องอยู่กับครูอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวความขี้เกียจมันจะเข้ามาขี้เกียจบินทบายก็ไม่ไปบินสบานยแต่ถ้าอย่าครูอาจารย์นี่ไม่บินทบายเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนด่าโดนว่าทุกคนมีมี มีครูบาอาจารย์นึ็คนคอยนำถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวก็เละเทะลองไปดูวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์คุมเนี่ยตาเนียนก็เละเทะทำอะไรตามความอยากตามนิสัยเดิมของตนน้องตามหมาบัวท่านบอกว่าเวลาบวชนี่กิเลสมันยังไม่ได้บวชนกับเรานะเราบวชแต่ผ้าเหลืองนะบวชแต่โกนหัวบวชแต่ห่มผ้าเหลืองนี่ แต่กิเลสมันยังก็เป็นกิเลสอยู่ยังไม่ตายจากการบวชกิเลสมันจะตายจากการที่เราฝึกหัดจากการปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วนี่ท่านก็จะคอยขัดเกลากิเลสให้กับเราพระพุทธเจ้าจึงมังคับให้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาแล้วคนที่ฉลาดบางทีอยู่ห้าพรรษาแล้วยังรู้ว่าตัวเองมีกิเลสอยู่ก็ยังไม่อยากจะไปอยู่คนเดียวอยู่กับครูบาอาจารย์มันได้ประโยชน์กว่า อยู่กับตัวเองเดี๋ยวตัวเองก็จะเอานิสัยเอาเอาความชอบของตัวเองมาปฏิบัติแล้วก็อ้างทําข้อนูน้ข้อนี้นไปว่าเอ้ยเรามันรูุแล้วข้อนี้นเราไม่ต้องรักษาก็ได้มันก็เลยเดี๋ยวโดนกิเลสมันหลอกไปกินหมดเนี่อย่าฝืนคําสอนคําสั่งของพระพุทธเจ้าเถิดถ้าจะมาบวชแล้วมันก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทำมาวินัยของพระพุทธเจ้าตัดไว้ชอบแล้ว ถูกต้องทุกประการเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสอนคําสั่งพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวก็เสียคนได้บวชไปก็เปล่าประโยชน์อย่าบวช ด, ดีกว่าถ้าจะบวชแล้วไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่าไปบวชคําถามจากผู้ประสงค์ออกนามอคติสีรักชังกลัวหลง เกิดจากความคิดปรุมแต่งของเราทั้งหมดใช่ไหมคะเช่นกลัวผีพอคิดว่าเราจะถูกผีทำร้ายกลัวความมืดพอคิดว่าจะเจอผีแต่พอตัดใจออกมาเผชิญกับความมืดจริงๆแต่พบว่าไม่มีอะไรเราคิดไปเองก็หายกลัวเกิดจากความหลงหลงไม่รู้ความจริงว่ามไม่มีอะไรเราไปคิดว่ามันมีอันจริงมันไม่มีอะไรเกิดจากวิชาความไม่รู้ความจริง กกเเลลลยทให้ราชาชัวลลงไปคำ ถ, ถามจากคุณน้ำพึ่งพระพระอาจารย์ก่อนนอนกราบพระสามครั้งแล้วอธิษฐานจิตทำไมมีอาการหาวและน้ำตาไหลไม่หยุดเลยคะสาเหตุเพราะอะไรคะก็ช่างมันมันจะสาเหตุอะไรก็เรื่องของมันนะแต่อย่าลืมกราบพ่อกราบแม่ด้วยนะกราบพระแล้วก็ควรจะกราบพ่อกราบแม่ครับ พ่อแม่ก็เป็นพระของเราเป็นผู้มีพระคุณพอพอกับพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็จะเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดมาไม่ได้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้พระคุณของพ่อแม่เราไม่ควรจะลืมคาถามจากคุณใจบริสุทธิ์พิจารณาความตายเป็นอารมณ์พิจารณาเช่นไรครับก็นึกอยู่เรื่อยๆไงหายใจเข้าก็นึกว่า ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอยู <st> ่เรื่อยๆถึงความตายว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วความโลภมันจะหายไปหมดเลยมันจะเอาอะไรไปทํามันจะเอาอะไรเดี๋ยวตายก็เอาอะไรไปไม่ได้ความโกรธก็จะหายไปหมดเลยจะไปโกรธใครก็จะไปฆ่าเขาไม่ต้องฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเองไปฆ่าให้เขาเหนื่อยเอาไหม ถ้าคุณสีนีนาตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดสามถึงห้าวันจะทําให้ใจหนักแน่นอย่างไรดีคะก็ต้องให้ใจมีสติคอยควบคุมความคิดบุงแต่งอย่าให้คิดให้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับหยดสวดมนต์ไปให้อยู่กับคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วใจก็จะมีความหนักแน่น ถามจากคุณแอการที่บุคคลใดหรือพระสงฆ์รูปใดตายไปจะได้ไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ชาตินี้ภูมิธรรมต้องอยู่ในขั้นโสดาบันสกิทาอนาคาหรืออยู่ในธรรมขั้นไหนครับถึงจะได้ไปเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ครับ อ, อ๋อพระโพธิสัตว์นี่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี่กับพระโพธิสัตว์นี่คนละระดับกัน พระโพธิสัตว์ก็คือคนที่มีโลคกรดหลงมีเป็นปุตตชนเหมือนพวกเราต่างตรงที่ว่าเขามีความปารถนาที่จะสร้างบา ร, รมีแทนที่จะไปหาเงินหาทองเขาก็จะไปทำเงินไปทาบุญกันไรักษาศีลไปทำอะไรต่างๆนี่เรียกว่าโพธิสัตว์คนที่ตั้งจิตตั้งใจว่าจะทำบุญไปเรื่อยๆทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไปเรื่อยๆ จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ อ, อย่างนี้เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์คาถามจากคุณใจบริสุทธิ์ถ้าจะรักษาสีนแปดแต่เราต้องกินยาหลังอาหารเราจะทำอย่างไรครับก็เลือกเอาสิจะกินยาแล้วจะรักษาสีนแปดคำถามจากคุณนพลเคยได้ยินมาว่าโสดาบันเป็นคารวาดยังเสพกรามอยู่คืออยากมีครอบครัว แล้วถ้าโสดาบันคิด ie, เรื่องอยากมี yeah, ครอบครัวบ่อยๆไม่ทำให้มกมุ่นใ น, ในการมหรือครับเป็นสาเหตุให้มาชั้นพรมได้ไหมครับก็จากโสดาบันก็ต้องเริ่มพิจารณาอสุภะเพื่อจะได้ขึ้นไปสู่ขั้นพรมต่อไปคำถามจากคุณปาลิชัดทำไมเวลาทำสมาธิแล้วเหมือนรู้สึกว่าร่างกายยืดขึ้นและหดลงบางทีก็ตัวใหญ่ตัวเล็ก จักอนุโมทนาพระอาจารย์ค่ะอ๋อมันก็เป็นเรื่องจิตปรุงแต่งไปเองคำถามจากคุณศลามีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดควรฝึกปฏิบัติตนเช่นไรคะก็ฝึกเซติอยู่กับพุโทโธไปว่าอะไรยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดคำถามจากคุณขันติพงศ์พิจารณาแล้วรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายทาให้ไม่อยากรักษา คงต้องรักษาเขาไปใช่ไหมครับก็แล้วแต่รักษาก็ได้รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายถ้าอยากจะประหยัดเงินก็อย่าไปรักษามันมันก็ตายอยู่ดีหมดแล้วเดี๋ยวพักเดี๋ยวก็ได้มีอะไรอยากจะถามเลยไหมแบตไม่ดีมั้งแบบอ่อนนะ เข้ามาถามต่อคำถามจากคุณกูลจะแก้ใจที่ไม่ตั้งมั่นอย่างไรดีคะก็ถามมันตั้งมั่นเลยโดยการฝึกสติไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันลอยไปลอยมาถ้ามีพุโทโธไว้ก็มันก็จะลอยไปลอยมาไม่ได้มันก็จะตั้งมั่นต่อไปบัดันมันบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนอนแล้วแหละ เดี๋ยวรอโอกาสให้เขาโอกาสเข้ามาหน่อยอนนี้เรานั่งเฉยๆรอคำถามสักพักคนต้องสามร้อยกว่าคนเดียวก็มีคาถามเข้ามากำลังพิมพ์กันอยู่ใช่ไหมแบตเตอรี่มันใกล้หมดแล้วเลยน่าจะเป็นที่สายนะครับสายใครอยากจะกลับก็กลับไปก่อนก็ได้ไม่มีก็จะได้เลิกมีไหม